มีประชาชนทั่วไปร่วมเสนอความคิดเห็นอย่างน้อย20คนเป็นต้นซึ่งเป็นเป้าหมายที่เราสามารถวัดได้ว่างานที่เราทำนั้นสำเร็จตามความต้องการหรือไม่มากน้อยเพียงไรเพื่อจะสามารถตามไปประเมินผลวิเคราะห์เพื่อการปรับปรุงพัฒนาในการทำงานครั้งต่อไปได้นักการตลาดอาจตั้งเป้าหมายว่าภายใน1ปีจะผลักดันยอดขายของสินค้าให้ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งให้ได้ครูอาจตั้งเป้าหมายว่า